เอาน่าอย่าเียเรียอเรื่องครัวโตกับหัวโขนคราวหนึ่งหลวงพ่อโต ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ในสวนแห่งหนึ่งฝั่งธนบุรีสวนแห่งนี้ต้องเข้าทางคลองเล็กท่านไปด้วยเรือสำปันกับศิษย์โดยเอาพัดยศไปด้วยบังเอิญเวลานั้นน้ำแห้งท่านจึงลงเข็นเรือกับศิษย์ชาวบ้านเห็นจึงร้องบอกกันว่าสมเด็จเข็นเรือไว้ท่านได้ยินก็ตอบไปว่า ฉันไม่ใช่สมเด็จ ด, ดอกจ้ะสมเด็จท่านอยู่ในเรือนนะจ้ะว่าแล้วก็ชี้มือไปที่พัดยศสักพักชาวบ้านก็ลงมาช่วยกันเข็นเรือไปจนถึงบ้านงานเรื่องนี้สอนว่าหัวโขนนั้นถึงถอดวางเมื่อลงจากเวทีชั้นใดสมณะสัก ก็ไม่ใช่สิ่งพึงยึดถือเป็นตัวกูของกูฉันนั้น